สงสัยอะไรไหมอาจารย์เกิดนะถามนิดนึงว่าปกติแล้วตอนเราสวดอสังอะหังสุกิตโหมีคือแผ่เมตตาให้ตนเองก่อนจริงอยู่ว่าพอแผ่เสร็จแล้วเรามีความสุขแล้วเราก็แผ่ไปให้กับสัตว์ทั้งหลายแต่เราก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับมีอันนินนสงคือเรามีความสุขอั น, นิสงเข้ากับตัวเราแต่เราจะรู้ได้ไงว่าพวกสิ่งต่างนั้นสัตว์ต่างนั้นได้รับจากเราไปจริง อถ้าเรามียานรู้ก็รู้ถ้ า, ถ, าถ้าเราไม่มียานรู้ไม่เป็นไรก็แค่แผ่ความดีความเย็นความสดชื่นนั้นออกไปเขาจะรับรู้ได้หรือรับรู้ไม่ได้เราเราไม่มีตัววัดใช่ไหมเรามีหน้าที่แผ่ออกไปแล้วถ้าเกิดว่าคนมีคนที่แบบคิดอย่างนี้แล้วก็แบบใช้วิธีมาท่องอย่างเดียวไม่ต้องทํำดีอะไรกับสัตว์หรืออะไรเลยละ่ะฮะ ท่องอย่างเดียวมันจะได้ก็คื อ, อแค่ท่องว่าสัพเพสัตตาหลังจากที่ท่องท่องคําสัพเพสัตตาเนี่ยสําหรับคนที่ทําจิตไม่เป็นเขาทําเมตตากันยังไงนะเขาก็ให้บทท่องมาทําอย่างนี้ทําจิตแบบนี้แต่ถ้าท่องอย่างเดียวแล้วจิตมันไม่ไปก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เรียกว่าเจริญเมตตาเรียกว่ากําลังท่องอ่าแล้วถ้าสมมุติว่าอย่า ง, งเราเต้องเป็นจิตที่ว่า อ, อ, อยาก ให้คนอื่นมีความสุขคิดอย่างนี้ไม่ออกก็เราอยากมีความสุขยังไงนี่นะให้แที่เราว่าแผลเมตตาให้ตัวเองก่อนเนี่ยเราอยากมีความสุขยังไงขอให้เรามีความสุขอย่างนั้นจงพ้นทุกข์อย่างนี้ตัวท่องตัวตัวคำมาตรฐานที่เป็นแบบเนี่ยเป็นตัวที่ให้เราศึกษาว่าเวลาจะแผลเมตตาให้ตัวเองเนี่ยเขาคิดกันยังไง แต่ตอนที่คิดเนี่ยไม่ต้องเป็นคาพูดอย่างนั้นก็ได้เช่นเวลาพระครูบาอาจารย์ท่านมาเนี่ยท่านคงไม่คงไม่ท่องคำว่าอะไรสัพเพสัตตาอะไรมาก่อนท่านแค่ยิ้มให้เราล้วก็ชื่นใจแล้วใช่ไหมคือปรารถนาให้เรามีความสุขปรารถนาให้เราพ้นทุกข์ความปรารถนานั้นน่นนมันจะแผ่ออกมาเองไม่ต้องท่องไม่ต้องไม่ต้องสวดออกมามันเป็น อะไรอะ่ะมันเป็นคุณภาพของจิตขณะนั้นสภาวะของจิตขณะนั้นว่าปรารถนาให้มีความสุขแต่ถ้าแผลไม่เป็นทำจิตอย่างนั้นไม่ได้ท่านก็มีบทให้ดูว่าทำอย่างนี้นะคนที่ก็มีเมตตาเขาจะคิดอย่างนี้นะคิดปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์ถ้ามีความพยาามกันอยู่ก็อย่าให้มีการพยาามกันให้รักษาทั้งกายและใจให้มีความสุขอย่างนี้ เพทุกคนเวลาปรารถนาความสุขก็ปรารถนาความสุขทั้งทางกายและทางใจอย่างนี้นะใกรใคร่ข <พอ S 1> ้าพเจเรียนถามหลวงพ่อนะคะว่าพอดีเมื่อสักครู่ที่หลวงพ่อเทศนามมีตรงกับสิ่งที่เกิดกับลูกสอ ง, สองประโยคประโยคหนึ่งที่บอกว่าพอนั่งสมาธิเราจิตรวมพอรวมปุ๊บมันจะคล้ายๆกับเราตกจากที่สูงแต่จริงๆเรานั่งอยู่ เราก็กายหายก็ไม่มีกายเหลืออยู่เลยหนังนิดนึ่งนะคะไม่มีกายเหลืออยู่แล้วหลังจากนั้นก็ตอนที่นั่งอยู่ก็ตอนแรกจะเหมือนกับตอนที่ทำสมาธิจะมีระ ล, ลึกรู้กายแล้วก็รู้ความคิดเราแต่ตอนนั้นตอนที่พอรวมเขารวมลงไปปุ๊บเนี่ยกายหายเราก็มาดูหัวไหลหัวไหลไม่มีเอ๊ะมาดูขาขาก็ไม่มีแต่ในขณะนั้นอะ มีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเราเปิดตาแต่จริงๆเราปิดตาใช่ไหมคะเราปิดตาหนังปิดตากายอยาคะค่ะแต่เราเปิดตาข้างในแล้วแล้วใจมันก็แต่เผอิญลูกทำไม่ดีเองเพราะว่าลูกตัดสินใจลืมตาขึ้นมาหลังจากนั้นเลยไม่เห็นว่าจะมีอะไรต่อคะ่ะแต่ว่าพอหลังจากที่ลืมตาขึ้นมาก็รู้ว่าที่หลวงพ่อพูดว่ามันอยากร้องไหยอย้อะค่ะตอนแรกก็เข้าใจว่าเราคงไม่หวงกายนี้มากแต่ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยาปีที่แล้วค่ะก็ทําให้ทราบว่าจริงๆเรารักกายรักใจเนี่ยมากกว่าที่เราคิดว่าเรารักแล้วก็รักมากกว่าที่เราคิดว่าเรารักมาปะปาอะไรอย่างเงี้ยอเสร็จแล้วทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอลูกทําสมาธิอีกแล้วในช่วงที่ผ่านลุกไม่ทราบว่าจะเรียกว่าวิตกวิจารหรือเปล่าเพราะลูกไม่เคยเรียนหมายถึงว่าไม่เคยเรียนวิชาที่เขา เรียนทางธรรมอะค่ะคล้ายๆก็ว่าพอเราหยุดคิดหยุดฟุ้งซ่านมันจะมีความคิดตอลอดเวลาเลยเราจะเห็นว่าเราคิดตอลอดเวลาตอนช่วงที่เรานั่งสมาธิใหม่ๆพอหลังผ่านผ่านตรงจุดนั้นไปปุ๊บมันจะเป็นความนิ่งเงียบอะค่ะแล้วมันก็เหมือนกับคําดาวแบบสงบลงพอหลังจากสงบลงปุ๊บเนี่ยแล้วลูกจะเห็นว่าคล้ายๆว่าเขาจะเข้าไปตรงจุดที่ตัวหายอะแล้วใจลูกก็จะเต้นแบบ เหมือนหัวใจจะหลุดออกมาข้างนอกเราคล้ายๆว่ามันจะวิ่งวิ่งรอบสนามฟุตบอลสักสารอบใหญ่ๆแล้วเหนื่อยมากเราต้องใช้พลังงานสูงแล้วก็ต้องสู้กับเขาตรงนั้นทีนี้ลูกก็มาปรึกษากับแฟนนะคะเขาก็เลยบอกว่าก็เขาเป็นไตรักคือเขาก็เหมือนปลอบใจอะคะ่ะว่าเขาเป็นใจรักไงเขาทําให้ดูให้รู้ว่ามันไม่ไม่ที่ยงังมันจะเป็นๆอย่างนั้นอีกก็ไม่ได้แต่ลูกรู้อย่างหนึ่งว่าลูกกลัวว่าถ้าเกิดว่าลูกไปถึงสภาวะตรงที่กายหายอีกครั้งนึงะ ไม่รู้ว่าจิตใจเนี่ยมันจะรับเรื่องนี้จริงๆได้แค่ไหนหรือเปล่าตอนนี้ยเราหลังจากเดินกัญยามาลูกก็เลยกลายเป็นคนเหมือนกับกองกอยอะคะ่ะในทางปฏิบัติคือกองกอยชื่อของผีใช่ใช่ค่ะเหมือนปฏิบัติไม่เป็นเลยอะคะ่ะพอนั่งสมาธิได้แค่สงบลูกก็เลยเลือกว่าเอาแค่นี้ก็ได้ไม่ไม่ต้องให้แบบรวมอะคะ่ะ ลังนั้นจิตไม่รวมเลยซึ่งปกติจิตรวมปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นแสงสว่างปุ๊บขึ้นมาแล้วแบบสว่างจ้ามาแล้วนั่งอยู่กลางแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็จะเคยเจอสภาวะอย่างนั้น บ, บอ่อยๆอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เจอก็ไม่เป็นไร<ม>ก็ไม่อยาก<ม>เพราะ<ม><ม>ว่าแฟนเขาปลอบใจว่าถ้าไม่ถ้าไปอยากเนี่ยก็จะไม่ได้<ม>ก็เลยเห็นแบบนั้นทีนี้พอมาประโยคที่สองที่หลวงพ่อพูดบอกว่ามันเหมือนกับว่าเรามองเห็นแต่ว่า above ค่ะทีนี้ลูกเลยมสัสคูหลวงพ่อพูดมาว่ามันจะเป็นการใช้ยาน ถูกไหมคะแต่นี้ลูกอะไรจริงๆควรจะเป็นจากยานที่สิ่งที่ไม่ใช่แยกออกไปข้างบนใช่ค่ะทีนี้ลูกอะลรจะถามว่าเขาตอนนั้นมันเป็นตอนที่อากับกริยาปฏิบัติกับบุคคลอื่นนะคะมีทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจแต่เรากลับปุ๊บขึ้นไปเห็นเห็นเหมือนเรามองลงไปในอ่างปลาทองอะค่ะเราเห็นปลาทองแล้วมันมีน้ําลางๆแต่เห็นชัดว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ชัดเจนไม่แจมแจ๋วแล้วมันก็ ดับหายไปแล้วก็กลับมาเป็นตัวเราอีกทีหนึ่งก็ เ, เลยจะถามหลวงพ่อว่าไอ้อ ย, อย่างเงี้ยมันเกิดเพราะว่าเป็นยาหรือมันเป็นตัวรู้อัตโนโมัติคือก่อนหน้านี้ลูกเคยตกบันไดแล้วลูกเห็นว่ามันเหมือนสโลโมชั่นอืครั้งแรกเข้าใจว่าที่บ้านเรามีของดีคงเป็นสิ่งศ <c ười> <ๆ S 2> ักดิ์สิทธิ์แบบประคองเราอะค่ะแล้ว เ, เราตกลงมาแล้วก็เห็นเลยว่าเราตกขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่3ามคืออุ้มตะก้าผ้าใบใหญ่อะค่ะมันก็เหมือนกอดตะก้าผ้าแล้วก็ตกลงมาแล้วก็เอียงตึ้งอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่า เฮ้ยเราเราเห็นของอที่บ้านเรามีของดีแน่เลยประคองไม่ให้เราเจ็บแต่พอมาฟังพระหลวงพ่อปามโมทท่านบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วเหมือนสโลโมชันเพราะว่าสติมันเกิดทางจากสติที่เราฝึกไว้ก็คือเรียกว่ามันเห็นชัดตอนเห็นชัดเนี่ยจะมาตอนที่เกิดเหตุการณ์ที่มันแรงๆโกรธแร ง, รแรงๆหรือตกใจตอนตกกระไดมาตกใจ มันจะเกิดสติขึ้นมาสตินั้นคนปกติจะไม่เกิดจะเกิดเฉพาะคนที่ฝึกมาแล้วถ้าเกิดคนไม่ฝึกมาเนี่ยตอนที่ตกกระไดก็จะตกใจแล้วก็จะจะมีการทำอะไรของเขาก็ไปตามกิเลสที่เกิดขึ้นจะหลังจากตกใจนั้นแต่คนที่ฝึกสติมามีความตกใจเกิดขึ้นมีสติรู้ทันความตกใจอาการของกายที่เคลื่อนไหวก็เห็นชัดเจนเป็นชอชอชอ ใช่ค่ะเวลาจะกลิ้งไปพลิกตัวยังไงก็จะมีสติรู้ว่าจะกลิ้งแบบไหนที่จะไม่เจ็บตัวมากเป็นผลจากการเจริญสติสติที่เห็นตรง น, นั้นเนี่ยมันจะเห็นเป็นแยกเรียกว่าสัน ต, ติขาดเห็นเป็นช็อตชอต็ช อ, ชอเหมือนเป็นเหมือนเป็นภาพยนตร์ที่มันแบ่งเฟรมออกมาทีละ เ, เฟรมทีละ เ, เฟรมส่วนอะไรนะตอนแรกอะไรนะ ตอนแรกที่ลูกบอกว่าพอมันไม่มีกายแล้วลูกเหมือนปฏิบัติแบบกองกอยอ่ะคือมันไม่เป็นเลยอ่ะผลก่อนหน้านั้นอะไรก่อนหน้านั้นที่กายหายค่ะอ๋อมันตอนกายหายเนี่ยมันแสดงความจริงออกมาสิ่งที่จะดูต่อไปก็คือว่ามีความเป็นกลางไหมในการที่เห็นสภาวะอันนั้นที่ว่าไม่มีตัวตนแล้ว จิตไม่ยอมรับให้รู้ทันว่าจิตมันไม่ยอมรับนี่คือแสดงความไม่เป็นกลางออกมาจิตมันหวั่นไหวเห็นความหวั่นไหวของจิตและดูซ้ำๆแสดงว่าจิตมันยังไม่พอยังดูไม่พอถ้าในความหมายของตอมาสํานวนนะอาตมาเองนะจะบอกว่าข้อมูลยังไม่พอจิตมันยังดิ้นอยู่เรายังให้ความรู้เขาไม่พอเอหน้าที่เราต้องให้ข้อมูลเขา อ, อีกคมันยังไม่พอ จิตมันจึงยังดิ้นรนแต่ถ้าข้อมูลพอแล้วมันจะยอมรับว่าอย่างนี้จิตมันไม่ใช่เรานะเราไม่มีนะยอมรับและดูด้วยความดูโดยที่แบบว่าไม่ปฏิเสธตอนนี้จิตมันเหมือนปฏิเสธอยู่ไม่ยอมรับพอจิตได้รับข้อมูลบ่อยๆเข้าซ้ำๆจนพอแล้วเนี่ยมันจะไม่ปฏิเสธพอเห็นสภาวะอีกครั้งหนึ่งกระตุ้นนิดเดียวมันก็ ยอมรับแล้วตอนยอมรับเนี่ยมันก็ไม่บอกได้ว่ามันมันคืออะไรแต่ว่าที่ลูกปฏิบัติมานี่คือไม่ได้ผิดเพี้ยนใช่ไหมคะไม่ผิดทำไปแล้วที่ลูกถามว่าหลังจากเนี้คือพอมันช่วงที่นั่งปฏิบัตินะคะนั่งสมาธิหลังจากที่ผ่านการเหมือนกับคิดวิโตกวิจารณไปแล้วเนี่ยคะ่ะหลังจากนี้ไปควรจะต้องทําใจยังไงอะคะคือ ทำยังไงไม่ต้องทํำยัง ไ, รไ ง, งไ ร, รู้ตามจริงไม่ใช่ไปทําใจรู้ตามจริงทําทอย่างที่ที่เคยทํามานั่นแหล ะ, ะแต่ทําให้ข้อมูลกับจิตนี้ซ้ําไปอีกสิ่งที่สิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปคือความอดทนดูซ้ําๆด้วยความอดท น, นสิ่งที่สิ่งที่ทําต่อไปมันเหมือนเดิม ทำเหมือนกับว่าคือไม่ต้องไปพัฒนาท่าทางหรือพัฒนาเทคนิคทำแบบเดิมไอ้ทำแบบเดิมที่ไม่ต้องพัฒนาเทคนิคนี่แหละมันต้องทนคนบางคนจะรู้สึกว่าฉันจะต้องพัฒนามากขึ้นกว่านี้ไปฟังครูบาอาจารย์ครูอาจารย์าารก็แนะนําแบบเดิมเหมือนพื้นฐานเราไม่ก้าวหน้าหรือไงอะไรเงี้ยนะไม่ใช่วิธีเดิมเป็นพระโสดาบันก็ยังทําอย่างนี้ เป็นพสัสดุทากา ย, ยังทําอย่างนี้เทคนิคเดิมวิธีเดิมรู้กาย ร, รู้ใจตามความเป็นจริงอย่างนี้เหมือนเดิมด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นการอย่างนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําต่อไปทําแบบเดิมด้วยความอดทนเหมือนบูสลีรู้จักบูสลีไหมรู้จักค่ะใครรู้จักบ้างใครไม่รู้จักต้องแก่พอที่จึงจึงจะรู้จักบูสลีบูสลีเป็นดาราฮ่องกงใช่ไหม ฮ่องกงปะดารากังฟูวุชลีบอกว่าคู่ต่อสู้ของเขาเนี่ยถ้ามีท่าทางในการชกการเตะหนึ่งพันท่าเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวเลยถ้าไอ้นี่มามีกระบวนท่ากี่หมื่นกี่พันท่าเนี่ยเขาไม่กลัวเลยถ้าถ้าคู่ต่อสู้ประกาศมาอย่างนี้นะเขาไม่กลัว แต่ท่าคู่ต่อสู้นั้นประกาศมาบอกว่าเขาฝึกเตะอยู่ท่าเดียวเนี่ยหนึ่งหมื่นครั้งคนนี้น่ากลัวเพราะคนที่ทำอย่างนี้ได้ต้องมีความอดทนและมีทักษะเบสิกพื้นฐานอย่างดีมากเหมือนที่หลวงพ่อประโมทเล่าให้ฟังว่าท่านเรียนเรียนกระบี่กระบองจะมีท่าจดท่าฟันอะไรพื้นฐานเพื่อนเพื่อนเนี่ยเรียนท่านี้ไม่ไม่นานแป๊บเดียว แล้วก็ไปเรียนท่าอื่นท่าอื่นต่อท่านี้ก็ยังไม่แม่นเลยแล้วก็เรียนท่าอื่นแต่ท่านก็ทนเรียนอยู่ท่าเนี้ยท่าเดียวแต่เวลาฟันกันนะท่านขยับนิดเดียวก็ตีหัวท่านตีหัวเพื่อนได้เลยเพื่อนพลิกพลิกตำราไม่ทันเรียนมาหลายท่าเกินไปโดยที่พื้นฐานไม่แน่นไม่ทนเรียนท่าเดิมท่าพื้นฐานนี่แหละสาคัญทนไว้ขอบพระคุณมากเส้าค่ะ แต่ไม่ต้องไปชกกับบุชลีไม่ต้องไปเอากระบีก่กระบองตีใครครั้งก่อนก็ไปดูตัวโลภนะเจ้าค่ะพี่พระอาจารยแนะนานะค ะ, อ, ะอาการเสียดเสียดก็หายไปหายไปแล้วมันก็ไปเห็นอีกตัวหนึ่งซ้อนโลภอยู่เป็นสุขคิดนะ่าคิดว่าเดา ว, ว่าน่าจะเป็นสุขเวทนานหรือทุกเวทนา น, นะคะมันจะสลับกันเห็นจางมากเบามาก ก็พ่ง น, น่าจะเป็นครั้งแรกๆในชีวิตที่ได้เห็นซ้อนตัวนี้ขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งแว บ, บขึ้นมาเป็นทุกขึ้นมาทันทีทุกเวทนานะคะแล้วก็เป็นครั้งเดียวที่เห็นแต่ว่าทีนี้เนี่ยตอนนี้เ่ครั้งเดียวก็ <laughs> พอครั้งเดียวก็คุ้ม <laughs> คือตอนตอนที่เห็นพอพอมันเห็นโลบขึ้นมานี่มันรู้สึกว่ามันเป็นโลบ ป, ปุ๊บเนี่ย มันเป็นทุกขเวทําแวบหนึ่งแล้วมันก็พอทุกปุ๊บมันสุกเวทนาขึ้นมาอย่างเงี้ยคะมันเหมือนซ้อนกันอยู่แต่ว่ามันมันมันไม่ได้ซ้อนมันเกิดดับเร็วอ๋อแต่มันเหมือนตัวเล็กมากเลยค่ะทีนี้เนี่ยหนูหนูมีคําถามสองคำถามนะคะคือคําถามแรกเนี่ยคือคือจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบชอบยึดฐานที่มั่นเป็นลมหายใจนะคะทีนี้เวลาเรายึดฐานที่ลมที่มั่นเป็นลมหายใจปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็น เห็นร่างกายเป็นลายแยกกั็นอย่างหนึ่งเป็นเป็นเหมือนอะไรึอย่างหนงหายใจอยู่มีลมเข้าออกอยู่ทีนี้เนี่ยทุกทีหนูก็จะจะทำแบบนี้แต่ทีนี้มีมีคนมีมีมีเสียงมาเตือนนคือคนอื่นอาจจะมาเตือนอย่างงี้นะคะว่าคนคนคนธรรมดาว่าไม่ใช่ผไีไม่ใช่เสียงแบบมีศารว่าว่าเออเป็นอุ ป, ปทานเองหรือเปล่าคือเหมือนกับว่า เป็นเพราะจิตเราไปติดชอบตรงนั้นหรือเปล่ามันทาให้เราคือหนูเข้าใจว่ามันทำให้เราเกิดสติคือคือรู้ตัวไปอย่างนี้เรื่อยๆแล้วมันจะเกิดสติอยู่เองอยู่บ้างบางทีมันก็มันก็มันมันเห็นว่าร่างกายเป็นอะไรอย่างหนึ่งอยู่เนืองๆจนหนูคิดว่านั่นไม่ใช่สติละแต่ว่ามันเป็นอะไรอย่างหนึ่งก็ไม่รู้นะคะก็เลยไม่รู้ว่าผิดทางหรือยัง<ะ>ทรูปแบบอยู่ไหมทารูปแบบประจวัน เพิ่งออกจากคอร์สก่อนหน้านั้นก็ทําบ้างไม่ทําบ้างเหมือนกันค่ะ<า>คือบางทีดูๆไปแล้วเนี่ยเหมือนรู้แต่มันไม่รู้ชัดเจนไม่รู้จริงมันมาจากว่ากําลังมันไม่พอกําลังที่น้อยไปเนี่ยก็เสริมได้มีการเสริมกําลังได้ด้วยการทําในรูปแบบ เพราะนั้นในชีวิตประจำวันในแต่ละวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบตัวนี้จะสร้างวินัยแล้วก็ทำให้จิตมีกำลังทำประจำแม้น้อยอยังดีกว่าทามากแล้วหยุดทำมากแล้วหยุดเนี่ยมันจะขาดตอนมันจะเป็นพักๆเป็นห่วงๆไม่ต่อเนื่องเหมือนจะรวดจะรวดจะพุ่งขึ้นไปเนี่ยนะเชื้อเพลิงต้องต่อเนื่องและมากพอ ท้ามากแต่ว่าไม่ต่อเนื่องมันก็สะดุดหลุดพ้นโลกไม่ได้ต้องต่อเนื่องและให้มากพอแต่จริงๆแล้วถ้ายึดที่มั่นเป็นลมหายใจแล้วเราดู <c oughs> ลูปแบบด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็ <c oughs> วกดูแล้วก็หายใจแล้วมันเห็นมันเห็นว่าเป็นอะไรกำลังหายใจอยู่อย่างนึงอย่างนั้น <c oughs> ก็คือทําอย่างนั้นก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมัน ม, มีเวลาไหมล่ะ ตอนเช้าหรือตอนเย็นอะไรเงี้ยถ้มีไม่เดี๋ยวหาเวลาได้ค่ะไม่ต้องหาตรงนั้นนะเพราตรงนั้นให้มันมีเขาเรียกว่าทําในรูปแบบประจําวันไม่สนใจว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยทำอะไรมาบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ถึงเวลานี้แล้วต้องทําถึงเวลานี้แล้วต้องสวดมนนั่งสมาธิสักหนาทีอย่างน้อยเป็นประจําความประจําต่อเนื่องตรงเนี้ยจะช่วย การเดินจงกลมเนี่ยปกติหนูจะเดินค่อนข้างเร็วเป็นธรรมชาติทั่วไปนะคะทีนี้เนี่ยมีก็มีเสียงแนะนําอีกเสียงหนึ่งว่าถ้าเดินช้าลงและให้ดูเป็นอิรยาบถย่อยขึ้นพระอาจารย์มีความแนะนํำยังไงคะว่าจริงๆแล้วควรจะเดินเดิ น, น ช, ช้ากว่าปกตินิดหน่อยพ อ, อไม่ต้องช้ามากช้ากว่าปกตินิดหน่อยแต่ก็ไม่ควรเดินเร็วเลยด้วยใช่ไหมคะถ้าลองดูว่าลองลองเปรียบดูนะ เดินเร็วอย่างเดิมกับเดินช้ากว่าเดิม น, นิดนึงช้ากว่าปะกะตินิดนึงลองแล้วก็รู้สึกว่าช้าปะกะตินิดนึงก็ดีแต่แต่ว่าพอทําไปได้พักหนึ่งสองสาวันเนี่ยค่ะมันเหมือนมันมันคล่ําเคร่งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะารู้สึกเคร่งเกินไปก็เดินให้มันปกติเร็เดเระะ็วอีกลับกันไปแล้วก็ตอนจังหวะหมุนจังหวะหมุนอย่ารีบหมุนไม่รีบหยุดก่อนค่ะปกติตนี้ตรงนี้เนี่ยไปไปเรียนกับคุณมาลี <G ül> อ๋อไม่เคยยังไม่เคยเจอเลยค่ะเมื อ, อปน้ า, ามาเลยนะคุณมาเรีมาสอนเมื่อไหร่แล้วก็ตอนนี้ถ้าติดปัญหาก็คงจะเป็นพอเปลี่ยนจากสภาวะเสียดไปปุ๊บตอนนี้เป็นเป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็เจ็บอยู่ดีเหมือนกันมันเหมือนมีแรงบีบเค้นอยู่กลางอกและเกิดนานเกิดที 1, นึ่งบางที่15นาทีครึ่งชั่วโมงเกิดจนก้นหนูก็นั่งดูไปเรื่อยใช่ไหมคะแต่บางทีนั่งดูจนสุดเลยนะคะคือ15นาที20่สิบเปอนไปแล้วเจ็บ เราก็เลยเอ๊คือจะรู้สึกสังเกตว่าถ้าเราพอพราะถ้าเราแปลสภาวะออกเนี่ยมันเหมือนมันมันเหมือนไขปริศนาใช่ัหมคะแต่ถ้าเรายังแปลสภาวะไม่ออกเนี่ยเราก็ดูเอ๊โมหะไหมฟุ้งไหมมันอยาก <c oughs> หายไหมเอ่อเอ่อค่อนข้าง15นาทีแรกที่มันยังอยู่ดูได้แล้วมันไม่เจ็บเนี่ย <c oughs> เพราะเราก็ประคองโดยที่ไม่ได้ดูตัวอยากด้วยนะคะก็จะระวังอยู่ แต่พอเกิดสิบหนาทีไปแล้วเนี่ยมันก็ย่อยอมรับว่าอยากแล้วมันก็จะดูไม่ไหวเพราะมันเจ็บทีนี้เนี่ยมันเพ่งไปแล้วมันฟ้องว่าเพ่งไปอ๋อค่ะไม่ต้องมีตาทิพนะดู <c oughs> <c oughs> ฟังเอาแล้วมันเป็นมันเกิดจากฟุ้งหรอกเจ้คะจริงๆแล้วหรือว่ามันไม่ยอมรับแล้วมีการเพ่งไว้ไม่ยอมรับความจริงค่ะ มีบ้างที่ไม่ที่เห็นความจริงแล้วไม่ยอมรับแล้วมันจะน้าตาไหลมีบ้างแต่ก็มันด้วยขนาดก็นึกถึงว่าให้มองไปว่าเออมันไม่เป็นกลางแต่มันก็ไม่หายอยู่ดีมันไม่ไม่ได้ว่าอยากหายนะแต่ายถงว่ามันยัราดตรงนี้ว่าอยากสร้างความเป็นกลางไงมันเลยเป็นเพ่งเอาไว้คิดว่า คิดว่าตัวเองประคองเพื่อเพื่อให้ดูจนจบสายให้ได้ใ ห, ให้มันดูจนมันอยากเกิดก็เกิดเดี๋ยวดูมันจะจบมันจะยังไงก็แล้วแต่มัมนไม่ยอมรับใจยังไม่ยอมรับที่จะทำต่อไปคือทำใจยอมรับขอดูของจริงจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แต่ขอดูของจริ ง, ข อ, ข, องของไม่จริ ง, รงถึงแม้มันจะดีก็ไม่ดีเพราะมันไม่จริง ขอดูของจริงจิตจึงจะได้รับข้อมูลที่แท้จึงจะฉลาดขึ้นอาการมันปรุงขึ้นมาเองอย่างนั้นเหรอคะมันอาการอาการที่ปรุ ง, งขึ้นมาก็เป็นอาการอย่างหนึ่งก็ยอมรับว่ามีอาการปรุงขึ้นถ้าปรุงจนสร้างพบอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นอภิสังขารมารเป็นมารตัวหนึ่งจริงๆแล้วเวลาเกิดสภาวะเราเราเร า, เราคว เราคนรจะสามารถรู้ถึงว่าเหตุของสภาวะนั้นด้วยไหมคะดูไปแรกๆจะไม่เห็นเหตุอืดูไปไซ้ําๆจะรู้เหตุเพราะว่าจะเห็นแล้วว่าก่อนจะมีสภาวะเนี้ยมันมีอีกสภาวะหนึ่งก่อนจะมีไอ้ตัวนี้ขึ้นมามันคิดแบบนี้ก่อนจะมีรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมามันมีคิดอย่างงี้ก่อนแ<ล> จ, จะเห็นนี้ได้ก็คือจ้องตระริอนสตินะ ถ้าไม่ไม่เจริญสติมันก็ไม่เห็นมันไม่มีการทวนเห็นตรงนี้ขึ้นมาช่วงหลังแม้จะนั่งสมาธิหรือว่าทำในรูปแบบเยอะนะขึ้นนะเจ้าคะช่วงหมายถึงวิคสองวีคนีก้ก็ยังก็ยังฟุ้งมากฟุ้งก็ยอมรับและรู้สึกว่าก็จะหงุดหงิด ต, ตามคือเป็นคือคือสมัยก่อนจะมีคำคู่หนึ่งเห็นไหมคำคู่หนึ่งของนิวรน่ะฟุ้งซ่านราคาญใจ เป็นปกติเลยฟุ้งแล้วจะมีความรำคาญใจต่อมาเห็นถูกแล้วแต่ไม่ยอมรับค่ะได้ค่ะผัดกันมาเดี๋ยวหนูไปดูอีกทีค่ะถ้าอย่างนั้นก็รู้สึกว่าพอฟุ้งก็ฟุ้งนี้ไม่ดีพอรำคาญใจก็ไม่ไม่ชอบมันอีกมันมันปวดหูเลยนะเจ้าค่ะพูดอยู่ในหัวปวดปวดหู แล้วก็เราก็จะสงสารคนรอบข้างเพราะรู้สึกเพื่อก่อนก่อนหน้านี้จะจะรู้สึกเหมือนตัวเองดูโทรศัพท์ได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้เหมือนกลับมาโดนเล่นงานใหม่ให้ยอมรับว่าจริงๆแล้วแต่ละคนจะมีสิ่งร้ายๆซ่อนอยู่มันเปิดเผยออกมาดีแล้วแต่เวลาแสดงออกอย่าแสดงออกแบบผิดศีลเปิดเผยของร้ายๆให้ให้สติไปไปดู แต่ไม่ใช่เปิดเผยของร้ายเพื่อไปทำร้ายคนอื่นเปิดเผยความร้ายในใจเพื่อให้เห็นของจริงให้เราเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ดีมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ยในใจและความไม่ดีนั้นเป็นคนละส่วนกับตัวรู้ตัวรู้ก็เรียนรู้ไปมีสิ่งไม่ดีอย่างนี้สิ่งไม่ดีนั่นแหละทำให้เกิดสติได้โดยเวลาเกิดสิ่งไม่ดีหรือทุกขเวทนาแบบนี้เนี่ย มันมันมองไม่เห็นเลยนะเจ้าคะมันยังไม่เหมือนสุขเวทนาเวลาเกิดสุขเวทนาในเกิดความสุขในจิตน่ะบางทีมันเหมือนถอนตัวออกมาอยังทันดูแต่พอทุกปุ๊บมันแสดงว่าชอบดูสุขแต่มันเลือกไม่ได้เราเลือกดูแต่สุขไม่ได้โอเคมันมันไม่ทันนะคะเจ้าขันนล้วก็เลยอคือถลึงตาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากแก้อยู่ ยัง อ, อยากแก้อยู่ใจมันยังอยากแก้อยู่ให้ดูอย่างงี้นะพอแล้วมัง้ง <laughs> ดูใจที่ไม่เป็นกลางไม่ใช่สร้างความเป็นกลางดูความไม่ดีไม่ใช่ไปแก้ให้มันดียอมรับตามจริงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ไม่ดีนะั้นมันเป็นเพียงความไม่ดีในใจ แต่ไม่หลุดออกมาทางกายวาจาถ้าหลุดออกมาทางกายวาจาแสดงว่าศีลบกพร่อง <S <S ก็เห็นมันเกิดดับเห็นเห็นสิ่งไม่ดีนั่นแหละ <S <S พระพุทธเจ้าก็ให้ดูสิ่งที่ไม่ดีดูราคะราคะดีไหมไม่ดีดูโมหะไม่ดีดูโทสะไม่ดีฟุ้งซ่านหดหูไม่ดีดูสิ่งที่ไม่ดีเพราะมันมีอยู่จริงไม่ใช่ไปสร้างสิ่งที่ดีๆขึ้นมาแล้วไปดู ไปสร้างแสงสว่างและดูไปสร้างสุขและดูไม่ใช่ดูของจริงดูของจริงกลับได้ของดีพยายามสร้างของดีไม่ได้ดีแต่ให้ดูของจริงของจริงจริงๆแล้วมันไม่ดีเห็นมันไม่ดีแล้วมันจะจะเข้าใจมันจะ มันจะละได้ง่ายถ้าเห็นว่าดีนะก็เหมือนมานที่หลอกพระหลอกให้ถูกด่าบ้างหลอกให้ถูกชมบ้างถูกชมเป็นตัวที่ดูยากที่สุดระหว่างถูกด่ากับถูกชมนะถูกชมดูยากกว่าความพอใจมันมันจะเหลิงทันทีมันจะยึดไปทันทีมันจะติดก็ไปทันทีแต่ความไม่พอใจเสียงด่าเนี่ยเราไม่ชอบอยู่แล้วเราอยากจะหลีกพ้นจากมันอยู่แล้ว ดังนั้นจะรู้ได้ง่ายกว่ามารก็เล่นบทหนักๆให้พระเลยนะทั้งด่าทั้งชมถ้าพระไม่มีพระพุทธเจ้าคอยแนะไว้ก็เสร็จมารเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าท่านแนะเอาไว้รับมือกับเสียงด่าให้เมตตาให้เจริญเมตตารับมือกับของดีๆที่เข้ามาในชีวิตให้พิจารณาอาสุภะให้พิจารณาถึงอาหาเรปฏิกูลบริโภคได้แต่ให้พอดีพอดีไม่บริโภคจน จนเกินไปถ้ากินเกินไปก็อ้วนคอเลสเตอรอลขึ้นไขมันพอกตับรับพร น, นะอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติของเราให้กับพ่อแม่ทุกปบ ท, ท, ทุกชาติให้กับผู้มีประคุณของเราทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่ออกไปไม่มีประมาณถึงสัตว์โลกทั้งหลาย แห้กับเทวดาทั้งหลายที่สถิตยอยู่ในที่นี้สัตว์เราใดที่มีทุกข์อยู่กอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดที่มีมีสุขอยู่แล้วก็ให้สุขนี้ยิ่งขึ้นไปแต่ละคนก็ตั้งใจที่จะศึกษาในพุทธศาสนาให้รู้จริงเห็นจริงถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนยะทาวริวหาปุราปริโปเรนติสักระัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บอริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวเมวะอิตโตที่นังเปตานังอุปกัปปติทานที่ทานุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุติละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจจิตังปฏิตังตุมหังคออตะผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมิจฉะตุ จงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีชโจติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเพราะวตุสัพพมังกลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักกันทุสั พ, พ, พเทวตา